นะโมตัสสะพระกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผูไ้ไกลจากกิเลสปรารรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง งนั้นฟังทำรรคมพุทธะพิกษุท์ทั้งหลายข้อสอบทาน1ิบอย่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักบวชควรพิจรารณาเนืองๆ10บอย่างอะไรบ้างเล่าคือนักบวชควรพิจรารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากกระดแล้ว สนักบวชควรพิจารณานเนืองๆว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. นักบวชควรพิจารณานเนืองๆว่าอาการทางกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกนักบวชควรพิจารณานเนืองๆว่า ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่นักบวชควรพิจารณานเนืองๆว่าผู้รู้ใกล้ครววแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่นักบวชควรพิจารณานเนืองๆว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น นักบวชกวนพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าเราจะต้องมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่ให้ผลมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงบ่ายล่วงไปปัจจุบเราทำอะไรอยู่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่นักบวชควรพิจารณาหนึ่งๆว่าปัญญาเรื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทําความเป็นนริยะ อันยิ่งกว่ามนุษยธรรมที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เกร์เขินในเวลาที่ถูกเพื่อนผู้ประวิต์ประจันด้วยกันถามในป่ายหลังพิสุจนทังหลายข้อสอบทาน1ิบอย่างเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่นักบวชกวนพิจารณาเนืองๆมีในสมัยหนึ่งได้ตรัจกับ ภิกษุที่กำลังทะเลาะวิวาทกันในเมืองโกสัมพีดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพอทีพวกเธอทั้งหลายอย่าหมายมั่นกันเลยอย่าทะเลาะกันเลยอย่าโต้เถียงกันเลยอย่าวิวาทกันเลยโดยตรัสดังนี้สองถึงครั้งเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วมีภิกษุบางรูปทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นธรรมะสามีขอพระองค์จงหยุดไว้ก่อนเถิดพระเจ้าขาขอจงทรงขวนขวายน้อยเถิดขอจงประกอบอยู่ในสุขวิหารและทในที่ธรรมอยู่เถิดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำให้เห็นดำเห็นแดงกันด้วยการหมายมั่นด้วยการทะเลาะ ก, กันด้วยการโต้เถียงกันด้วยการวิวาทกันอันนี้เองดังนี้ในใกาลนั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงคลองจีวรถือบาทเสด็จเข้าไปสู่เมืองโกสัมพีเพื่อบินดาบากรั้นทรงเที่ยวบินาบาบในเมืองโกสัมพีแล้วภายหลังอาหารกลับจากบินาบาตแล้วทรงเก็บบริขารขึ้นมาถือไว้แล้วประทับยืนตรัสพระคถานี้ว่าคนไร้ไร่ด้วยกัน ทรงเสียงอตจโตแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นคนบานไม่เมื่อหมู่แต่กันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพลามไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลส เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไหมพวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเบนของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเรา ได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระ ง, งับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระ ง, งับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระ ง, งับได้ด้วยการไม่ผูกเวรทานี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลพวกนอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลาน ก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระ ง, งับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันในการทำตามกิเลสยังมีได้แม้แก่พวกคนกักะละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งหักขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คน แล้วต้อนมาต้อนโค้นเอาซับไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเจอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่ผ่าตัวรอดเป็นปราดที่มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วใสก็จงทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแคว้นที่พิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างมาตังคะ เที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนผ่านพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุดช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวถ้อยคำที่ยึดถือเอาแตกต่างกันว่า ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวิ น, นัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวิ น, นัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมะวินัยได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าสิปฏิบัติชอบคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัด มาแปรบรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นประเหตุไรเล่าประการกล่าวนั้นนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจันทร์ ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเมื่อพวกเจ้าจกล่าวจงกล่าวว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช น, นี้เชนนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้เช น, น, ช น, นี้เป็นทางดําเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เพราะเหตุไรจึงควรกล่าวเล่าเพราะการกล่าวนั้นนั้นย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรมจรรย์เป็นใบพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานปิสุทิ์หลายประเหต์นั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเดนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เถิดพิสุทธทงหลายคราวใดเมื่อพวกโจรมีกำลังพระราชา เสื่อมกำลังในคราวนั้นทั้งพระราชาเองก็หมดความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือจะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนถึงแม้พวกพราหมณ์และกครืบดีก็หมดความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือที่จะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดคราวใดที่ภิกษุลามก มีกำลังและหมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักเสื่อมกำลังคราวนั้นมู่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักจำต้องเป็นผู้นิ่งเงียบเชียบอยู่ในถ้ำกลางสง์หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนเช่นั้นเหมือนกันเหตุเช่นนั้นมีขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์แก่คนจํานวนมากเลย กลับทำให้มหาชนขาดความสะดวกสบายเป็นความเสียหายแก่มหาชนเป็นอันมากและทั้งเป็นความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันและพิสุทิ์ต้งหลายในสมัยใดที่พระราชามีกำลังพวกโจรเสื่อมกำลังในสมัยเช่นนั้นพระราชา ย่อมมีความผาสุกที่จะเข้าในออกนอกหรือจะมีใบบอกไปยังชนบทปลายแดนแม้พวกพราหมณ์และขรบรบดีก็จะมีความสะดวกที่จะเข้าในออกนอกหรือจะอำนวยการงานนอกเมืองข้อนี้ฉันใดคราวใดที่พวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกําลังและพวกหมู่ภิกษุ ผู้ลามกเสื่อมกําลังในคราวนั้นมูภิกษุผู้ลามกก็จําต้องเป็นผู้นิ่ง <S <S เงียบเชียบอยู่ ers, huh? ในถ้ำกลางสง์หรือถึงกับต้องไปอยู่ตามชนบทชายแดนเช่นั้นเหมือนกันเหตุเช่นนี้มีข lim ึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนจํานวนมากทําให้มหาชนมีความสะดวกสบายเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมาก และทั้งเป็นไปเพื่อความสุขความเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั่วกันแลเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นราชาผู้มังคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีทองและเงินเหลือเฟือมีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือมีทรัพย์และข้าวเปลือกเหลือเฟือ มียุ่งฉางเต็มล้นวันหนึ่งประทับอยู่นะที่สงัดเกิดพระตรริว่าเราได้เสวยมนุษย์สมบัติอันพิบูรณ์ครอบครองปฏิปีมนทนอันใหญ่ยิ่งถ้าอะไรเราควรบูชามาหายันอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราสิ้นกาลนานจึงรับสั่งให้หาพรามปุโรหิต มาบอกพระดำรินี่แล้วขอให้บอกสอนวิธีบูชาหยันปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรินั้นว่าเว้นแกว้ของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนามหลักต่อการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหุนทางก็ยังปรากฏ และถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แ่นแควนเป็นไปด้วยเส้นนาำหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจที่ไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจทรงมีพระํารวิว่าเราจะถอนหลักต่อคือโจรผู้ร้ายเสียได้ด้วยการปราณการจองจำการริบการประจานหรือการเดรัจฉ์ดังนี้ ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีพระผู้ที่ยังเหลือจากการถูกปรานก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนจนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักต่อเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีได้คือชนเหล่าใดบากบันเลี้ยงโกเพื่อกสิกรรม พระองค์จงประทานพืชพันธุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นส่วนเหล่าใดบากบั่นในวานิชยกรรมพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้แก่ชนเหล่านั้นส่วนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่านั้นจะขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแ ว, น, แวนของพระองค์ และรัคลังหลวงก็จะเพิ่มปูนมากมายแว่นแคว้นจะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสียนน้ำหลักต่อพวกมนุษย์ก็จะร่าเริงบันเทิงนอนชู่วบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนกแม้จะไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้ครั้นจนบทนั้นปราศจากเสียนน้ำหลักต่อแล้วปุโรหิต ก็กราบทูลวิธีแห่งมหายันในการบูชายันนั้นโคแพ้แกะไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ต้องได้รับความวิบัติพระรักต้กตนไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยันเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเกี่ยวตัดมาเพื่อการเปบียนสัตว์ใดให้ลาบากพวกที่เป็นทาต เป็นคนใช้และกรรมกรก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอาทยาและความกลัวไม่ต้องร้องไห้น้ำตาหนองหน้าปลางทำงานปลางใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นอย่างนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเนยใส ในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำส้มน้ำอ้อยเป็นต้นเรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นเหล่านั้นผู้บูชายันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายันของพระเจ้ามหาวิชิตราช ในสมัยนั้นพิสุทธิ์ท้งหลายภายในอนาคตเหล่านี้มีอยู่5ประการซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่คนแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเพื่อจะบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระตำให้แจ้งสิ่งถ้่ยังไม่ได้กระตำให้แจ้งเสียด้วยเร็วภายในานาคต5ห้าประการนั้นมีอะไรบ้างคือเธอในกรณีนี้พิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้เรายังหนุ่มยังเยาว์วัยยังรุ่นกะนองมีผมยังดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือในประตมใบ แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ความแก่จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนแก่ถูกความชราครอบงำแล้วจมานาสิการซึ่งคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสะนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งนั้นไม่เป็นที่รักไม่น่าพอใจ ไม่ น, น่าใกล้คือความแก่นั้นจะมาถึงเราเราควรจะรีบทำความเพียนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเชื่อโดยเร็วซึ่งเป็นจริงที่เมื่อบรรลุแล้วแม้จะแก่เท่าก็จะเป็นผู้ที่อยู่พาสุขได้ที่สุหลายข้ออื่นยังมีอีก เธอพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าแบบนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางวกวนแกการทำความเปลี่ยนโดยจะมีสักคราวหนึ่งที่ความเจ็บไข้จะมาถึงร่างกายนี้ก็คนที่เจ็บไข้ถูกความป่วย รบงามแล้วจะมานาสิการซึ่งคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลยเราจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดซึ่งเป็นบาชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจคือความเจ็บไข้นั้นจะมาถึงเราเราควรจะรีบ ปรารบความเปลี่ยนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จะอยู่เป็นผาสุขพิสุทลหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้ข้าวกล้า ง, งามดีอาหารหาได้ง่ายเป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไป ด้วยความพยายามแสวงหาอาหารแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่อาหารหายากข้าวกล้าเสียหายก้อนข้าวหาได้ยากไม่เป็นการสะดวกที่จะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยการแสวงหาอาหารเมื่ออาหารหนายากที่ใดอาหารหาง่ายคนทั้งหลายก็อพยพกันไปที่นั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ความอยู่คลุกคลี ป, ลปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการคลุกคลี ป, ลปะปนกันในหมู่คนการจะทำในใจถึงคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นไม่ได้ทำได้สะดวกเลยและจะเสพเสนาสนะอันเงียบสงดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเลยก่อนแต่สิ่งนั้นไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใครไม่น่าชอบใจ คือการที่อ่าน ห, หายากนั้นจะมาถึงเราเราจะต้องรีบทำความเพียนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขได้แม้ในกร่าวที่เกิดทุกพิกไปปีสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึ่งพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่าบัดนี้คนทั้งหลาย สมัครสมานชื่นบานต่อกันไม่วิบาดกันเข้ากันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำมองแลกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่จะมีสักคราวหนึ่งที่ไัยคือโจรป่ากําเริบชาวชนบทผู้ขึ้นอยู่ในอาณาจากักรแต่กระสัดกระชายยากย้ายกันไปเมื่อมีไปเช่นนี้ ที่ใดปลอดภัยคนทั้งหลายก็ประยบกันไปที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันในหมู่คนจะทําในใจถึงคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้ทําได้สะดวกเลยจะเสพเสนาสนะอนะันสังกัดคือป่าชัดก็ไม่ได้ทําได้ง่ายๆเลย ก่อนแต่สิ่งอันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขได้แม้ในกล่าวที่เกิดโจนไพรภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอพึงพิจารณาเห็นชัดแจ้งว่า บัดนี้สงสามัคคีปลองดองกันไม่วิวาดกันมีอุดเทศเดียวกันอยู่เป็นผาสุขแต่จะมีสักคราวหนึ่งที่สงแตกกันเมื่อสงแตกกันแล้วจะทำในใจถึงคาสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้น<ๆ>ก็ไม่ได้ทำได้ง่า ย, ายเลยจะเสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าชัดก็ไม่ได้ทำได้สะดวกเลย กอนแต่สิ่งนันไม่เป็นที่ต้องการไม่น่าใกล้ไม่น่าชอบใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปราบความเพียนเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อทำให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสด็จเร็วซึ่งทำให้พูดถึงแล้วจะอยู่เป็นผาสุขได้แม้ในคราวเมื่อสงแต่กัน พิสูจนทงลายภายในนาคตหประการเหล่านี้แลซึ่งเธอผู้มองเห็นอยู่ควรแท้ที่จะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปลี่ยนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทําเช่นนั้นอยู่ตอลอดไปเพื่อทําให้ถึงสิ่งที่ยัไม่ถึงเพื่อทําให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำใหแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำใหแจ้งเสียด่วนๆฟังธรรมคำพุทธะ